คำบรรยายต่อไปนี้เป็นการบันทึกเสียงจากหนังสือเรื่องทางชีวิตโดยอาจารย์วศินอินทศรัซึ่งอาจารย์วสินอินทศรัได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าทางชีวิตเป็นทางที่เดินยากเป็นทางกันดานด้วยภัยต่างๆผู้เดินควรมีแผนที่ชีวิตพอเป็นแนวทางดําเนินเพื่อไม่ให้หลงทาง ซึ่งเมื่อหลงแล้วเดินกลับได้ยากแผนที่ชีวิตคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าและท่านผู้รู้ได้แสดงไว้แล้วเราต้องมีหลักธรรมเป็นหลักใจอีกด้วยเมื่อมีหลักธรรมเป็นหลักใจแล้วเรียกว่าใจมีหลักได้พระธรรมเป็นแนวทางดำเนินชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่งดงามทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทางชีวิตในสังสารวัฏยิ่งเดินยาก พร้อมยีภายรอบด้านและยาวนานมีนิทานเล่าไว้เป็นคติชีวิตว่ามีชายคนหนึ่งหลงเข้าไปในป่าเจอช้างดุจึงวิ่งหนีช้างลงไปในน้าเจอจระเข้จึงขึ้นจากน้ำวิ่งขึ้นต้นไม้เห็นน้ำผึ้งหยดจากรวงผึ้งด้วยความหิวจึงยื่นปากไปรับน้ำผึ้งยังไม่ทันได้รับเหลียวไปเห็นงูสองตัวชูคออยู่ทั้งสองข้างพร้อมที่จะฉก แต่ด้วยความหิวชายผู้นั้นจึงแข็งใจดื่มน้ําพึ่งพร้อมกับที่หวาดกลัวงูทั้งสองเมื่อดื่มพอสมควรแล้วก็หาทางลงจากต้นไม้แต่ช้างยังป้วนเปี้ยนอยู่โคนไม้เขาจึงตัดสินใจกระโดดลงไปทางหนึ่งแต่มันเป็นเหวโชคดีที่มีเถาวันปกคลุมปากเหวอยู่เขาจึงเหยียบทเถาวันโขนตัวไป ได้ยินเสียงเหมือนสัตว์กัดเถาวัลย์จึงเหลียวมาดูเห็นหนูตัวใหญ่กำลังกัดเถาวัลย์อยู่ถ้าเถาวัลย์ขาดเขาต้องลงเหวแน่จึงต้องรีบกระเสือกกระสนเพื่อใหถึงฝั่งโน้นโดยเร็วนิทานเรื่องนี้สอนอะไรท่านเล่าไว้เพื่อเป็นคติให้เห็นภายในสังสารวัตว่ามีภัยอยู่รอบด้านมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหมือนชายผู้นั้น ซึ่งหลงวนเวียนอยู่ในป่าคือสังสารวัตทำอย่างไรจึงจะออกจากป่าได้ทางออกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมและใช้ความเพียรปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนแล้วเราก็จะออกจากป่าคือสังสารวัตนี้ได้ในเวลาอันไม่นานนักดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองพระตะถาคตเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นซึ่งบาลีว่าตุมเหหิกิจจังอาตับปังอาขาตาโรตถาคตาหนังสือเรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นเล่มนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อา่านที่ต้องการแนวทางดำเนินชีวิต เพื่อให้ชีวิตของตนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความสงบร่มเย็นด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทศระยี่สิบสี่มกราคมพุทธศักราชส5 4 9เเรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นภาคหนึ่งเรื่องขันติและเมตตา ขอให้ทุกท่านมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์อย่าได้คิดร้ายต่อผู้ใดถ้ามีความโกรธก็จงรีบดับเสียและอย่าพยาบาทจองเวรต่อผู้ใดราบยศและการอยู่เป็นสุขจะหลั่งไหลมาสู่ผู้มีขันติและเมตตาแม้เราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นแต่มันก็มาเองโดยธรรมชาติเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว มันให้ร่มเงาให้อากาศดีให้ดอกให้ผลโดยธรรมชาติของมันเรื่องขุมพลังชีวิตขุมพลังอันสำคัญที่สุดในชีวิตคนนั้นคือกำลังใจซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญที่สุดในการต่อสู้สงครามชีวิตสงครามภายนอกเราต่อสู้โดยอาวุธแล ะ, สะเสบียงอาหารแต่สงครามชีวิตซึ่งยืดเยื้อเท่ากับชีวิตของเรานั้น ต้องต่อสู้ด้วยกําลังใจทึ้งอย่างอื่นจะขาดไปแต่เมื่อกําลังใจยังมีอยู่ก็ยังไม่แพ้แต่เมื่อกําลังใจหมดสิน้นเมื่อนั้นผู้นั้นจะต้องพ่ายแพ้ในสงครามชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่ากําลังใจสําคัญที่สุดคนที่เป็นอาชาในจะต้องมีกําลังใจเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลากําลังใจไม่ลดเรื่อง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 กล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทรัพย์และยศเหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เข้าไม่ได้มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทําลายความสุขคือโรคอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนย่อมจะสู้คนนั่งรถเม์แต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้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 แม้จะร่ํารวยก็เห็นไปว่าความร่ํารวยนั้นไม่อาจอํานวยสุขอะไรแก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัวเพื่อทําประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่าลึกว่ากําลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกําลังกายมีความสําคัญอยู่มากเหมือนกันดังนั้น ใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศศัก์อักขรานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้กำลาบอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรคเรื่องคุณค่าแห่งชีวิตบุคคลที่ไม่ได้กำหนดคุณค่าแห่งชีวิตของตนไว้ให้แน่นอนจะมีชีวิตอยู่ยังสงบสุขไม่ได้เลยจะไม่พบความพอใจในชีวิต จึงควรกําหนดไว้ให้แน่นอนว่าอะไรคือความต้องการสูงสุดในชีวิตตนอะไรคือคุณค่าแห่งชีวิตที่ตนต้องการไม่ใช่มีชีวิตอยู่อย่างลอยๆยสุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมและโชคชะตาพาไปเมื่อเขากําหนดคุณค่าแห่งชีวิตไว้แน่นอนแล้วเมื่อได้บรรลุสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็พอใจในชีวิตนั้น ความพอใจในชีวิตของตนเป็นสิ่งที่คนเป็นอันมากแสวงหาแต่น้อยคนที่จะพบได้คุณสมบัติของผู้มีโชคลาภในการทำหน้าที่เราต้องอุตสาหะให้เต็มกำลังเพราะโชคลาภย่อมหลั่งไหลมาสู่ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติคือหนึ่งมีความอุตสาหะสองไม่ผิดเพี้ยนเวลา รู้เท่าทันชั้นเชิงของกิจการ 4. ไม่เกลือกลัวในทางชิบหาย 5. มีความกล้าหาญ 6. รู้จักอุปการรคุณของท่าน 7. มีความปราณีแนบแน่นในสันดานจากฮีโตประเทศข้อร8 4แปผู้ต้องการโชคลาภพึงประกอบเหตุให้สมควรผลที่ประสงค์ย่อมตามมา พึงเว้นการอ้อนวอนและเอาแต่คิดวนเวียนแต่พึงลงมือกระทําทันทีเมื่อได้ไตร่ตรองแล้วเรื่องชนะคนตรนีด้วยการให้ปันความตรนีคือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็นตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้อย่างสุรุ่ยสุรายใช้อย่างที่ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ใช้ ท่ามกลางของความตรณีและความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัติคือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมแซมของชำรุดให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอาการแห่งความตรณีเรียกว่าผู้ตรณีคนตรณีคงจะมีความสุขความครื้มใจที่ได้เก็บของไว้ดู หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แกตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายบ้างถ้าจะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียคลังหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจ อาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะกฏทางจิตวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้าการแบ่งปันจึงเป็นเครื่องผูกมิรเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนลงได้ดังนี้ชีวิตและความหวังชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักหรอกความผิดหวังและความขมขื่นซึ่งมีเป็นครั้งเป็นคราวนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่นถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพลกอันรื่นรมได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีแล้วหรือควรจะมองชีวิตในแง่ดีบ้าง และสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นเรื่องซื่อสัตย์อย่างพอดีและมีเทคนิคความพอดีและความมีเทคนิควิธีการอันเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากในการประกอบกิจให้สาเร็จมิฉะนั้นแล้วแม้เราจะทำด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็อาจพลาดไปได้เมื่อเราอยู่ในวัยต้น เรามากขาดองค์ประกอบที่สำคัญคือความพอดีความมีเทคนิคและวิธีการเรามากเชื่อในความซื่อสัตย์และจริงใจของเราและทำไปตามนั้นเมื่อพลาดไม่บรรลุผลเราเจึงรู้สึกสับสนว่าทำไมทาไมแต่เมื่อเราอายุสูงขึ้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในชีวิตมนุษย์มากขึ้นเราถึงได้ไลยเห็นว่าความซื่อสัตย์จริงใจนั้น ต้องประกอบด้วยความพอดีมีเทคนิคและวิธีการอันเหมาะสมจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จได้เรื่องถ น, นอมน้ำใจกันไว้คนที่รักกันต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืนก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทคือระวังอยู่เสมอไม่ทำสิ่งใดพูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจเสียใจช้าใจเป็นต้น อย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ความอดทนของคนมีขอบเขตเมื่อเขาน้อยใจและช้ำใจบ่อยเข้ามันสะสมมากเข้าอาจจะระเบิดออกมาสักวันหนึ่งต้องแตกกันเพราะฉะนั้นคนที่รักกันก็อย่าประมาทต้องถนอมน้ำใจกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แตกร้าวแล้วค่อยประสานกัน รอยร้าวนั้นเมื่อหลายรอยเข้าก็ประสานให้สนิทได้ยากหรืออาจไม่ได้เลยแล้วจะเสียใจพร้อมกับที่ได้เสียคนดีไปเสียแล้วแต่ถ้าคนไม่ดีก็ไม่ต้องรักษาให้เสียเวลาแม้จะเคยรักกันเมื่อเห็นว่าไม่ดีอยู่กันต่อไปก็มีแต่ความเสื่อมแยกกันเสดีกว่าเพราะคนบางคนสันดานหนามากขูดขัดเกาเท่าไหร่ก็ไม่สะดุ้งสะเทือน เรื่องทำของเสียให้ดีการทำของดีๆให้เสียนั้นทำได้ง่ายส่วนการทำของเสียให้กลับคืนดีนั้นแสนยากดูแต่น้ำนั้นเถิดทำให้เสียได้ง่ายใครๆก็ทำได้แต่การทำน้ำเสียให้กลับคืนดีจนใช้การได้นั้นยากมากต้องลงทุนสูงควรจะช่วยกันระวังคนก็เหมือนกัน การทำคนดีให้เสียไม่ยากเลยแต่เมื่อเสียไปแล้วทำให้กลับดีอย่างเดิมแสนยากเซนีกระไรช่วยกันหน่อยอย่านินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีให้เขาเสียเพราะเมื่อเขาเสียไปแล้วใครเล่าจะช่วยเขากลับคืนดีอย่างเดิมมีแต่คนซ้ำเติมเป็นส่วนมากขอให้เรามาช่วยกันทำคนเสียให้เป็นคนดี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 มากกว่าเกาะท่านแจอยู่ตลอดชีวิตยิ่งกว่านั้นท่านเองก็มีวันตายส่วนมากก็ตายก่อนลูกลูกๆจึงควรรีบขนขวายพึ่งตนเองให้ได้ในวัยอันสมควรแล้วย้อนกลับมาทำตนให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่บ้างท่านจะได้ปลื้มใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ที่ได้พึ่งลูกนั้นปลื้มใจเหลือเกิน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 บางคนสนุกไปได้ไม่กี่ปีก็ตายเสียแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันข้ามลำดับได้บางคนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีกิจที่ควรทาหรือความดีใดๆเอาไว้ก่อนตอนนี้หาความสนุกและความเพลิดเพลินใส่ตัวซะก่อนให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่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 คนยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกเรื่องเป็นผู้รู้จักตนความเป็นผู้รู้จักตนตรงกันข้ามกับความลืมตน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 ผูกเวรเห็นแต่ศัตรูการผูกเวรก็เหมือนกับการผูกพยาบาทเมื่อต่างฝ่ายต่างผูกใจเจ็บกันอยู่เวรก็ไม่สามารถระ ง, งับลงได้แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกผูกเวรเสียด้วยการให้อภัยและแผ่เมตตาให้เสมอเสมอเวอรอยกระงับลงได้ในเวลาไม่นานนักการไม่ผูกเวรทำให้จิตใจเราสบาย เมื่อใดใจผูกเวนีนเมื่อนั้นมองไปไหนก็เห็นแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเราไม่มีเวนกับใครมีแต่มเมตตาปราณีเมื่อนั้นมองไปทางใดก็เจอแต่มิตรเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเพื่อความสบายใจของตนเองจึงไม่ควรผูกเวนไว้กับใครใครจงจำแต่ความดีที่ผู้อื่นทำแก่ตนแต่อย่าจำความร้ายที่เขาทำให้ เพราะมันไม่มีประโยชน์แก่จิตใจเรื่องฝังอดีตปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันความวิตกกังวลเป็นมารของความสุขบางทีและเสมอเสมอมนุษย์เราชอบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ใจวิตกกังวลเล่นชอบสมมติล่วงหน้าไปนานนและมักสมมติสิ่งที่น่ากลัวสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายหลายเรื่องแล้วจะทำอย่างไร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 เมื่อนึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตใจก็กังวลอีกใจของคนเราจึงมีเรื่องกังวลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อความเป็นสุขในชีวิตประจำวันท่านจึงสอนให้ฝังอดีตปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปเสียแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในมือเราจงทำกับมันให้ดีที่สุดไฟร้อนจะนอนเย็น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 เมื่อสำเร็จผลที่มุ่งหมายแล้วเราก็จะมีความสุขกายสบายใจไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจสุภาษิตไทยอันละเมียละไมคมคายนี้ก็พูดสั่งสอนกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำงานให้หนักผลดีที่เกิดจากการทำงานเป็นผลที่น่าพึงใจอย่างยิ่งไม่มีโทษไม่ต้องระแวง ว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นพลังแห่งเมตตาจิตพลังจิตของคนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งสำคัญมากคนที่มีพลังเมตตาสูงจะเป็นคนมีเสน่ดึงดูดให้ผู้เข้าใกล้รักใคร่นิยมนับถือใครเข้าใกล้ก็อดรักมิได้แต่ทั้งนี้เราต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นในใจ ไม่ใช่เพื่อให้ผู้อื่นรักแต่เพื่อให้จิตของเราเปลี่ยมไปด้วยความหวังดีต่อผู้อื่นเพื่อให้จิตของเรามีธรรมอันประเสริฐเป็นที่อยู่อาศัย ส, ส่วนที่ผู้อื่นมารักและหวังดีต่อเรานั้นถือเป็นผลพลอยได้และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเหมือนดอกมะลิหรือกุหลาบซึ่งเมื่อบานแล้วก็หอมเองใครเข้าใกล้ก็ชื่นใจมีความสุขและรื่นรม พึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคำว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความทะนงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กำลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคำที่มีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายาม ท่านสอนไม่ให้มีมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขาเพราะเมื่อถือตัวว่าสูงกว่าเขาก็ทําให้ดูหมิ่นเขาเมื่อถือตัวว่าต่ำกว่าเขาก็อาจริษยาเขาหรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ําใจเมื่อถือตัวว่าเสมอเขาก็อาจเป็นเหตุให้แข่งดีกันแก่งแย่งกันชิงกันเป็นใหญ่หรือยกตนให้เด่น คนเรามีความรู้ความสามารถกันไปคนละอย่างเมื่อรวมกันเข้าจึงนำภาระของสังคมไปได้เปรียบเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวคนทําให้คนเป็นคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามกันควรเห็นว่าทุกคนกําลังทําหน้าที่ของตนเพื่อจันทร์ลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปพูดเก่งไม่ใช่พูดมาก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 เขาอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยๆหาเรื่องมาพูดได้เสมอแต่ไม่สนใจว่าใครอยากจะฟังหรือไม่อยากฟังเรื่องที่พูดนั้นเป็นประโยชน์กับใครบ้างหรือไม่เป็นผู้ฟังมีความสุขจากการฟังเขาพูดหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญตรงที่เขาได้พูดอย่างที่สํานวนไทยว่ากันว่าพูดน้ำท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหาสาระอะไร คนจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากนั้นหามีได้พูดคามีประโยชน์คำพูดที่มีประโยชน์มีค่ากว่าเงินทองเพราะเหตุไรเพราะเงินทองยังมีทั้งคุณและโทษใช้ให้หมดไปได้แต่คำพูดที่มีประโยชน์มีแต่คุณส่วนเดียวยิ่งใช้มากยิ่งพอกพูนไม่รู้จักหมดอย่างคำพูดอันมีประโยชน์ของพระพุทธเจ้า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 ลมใดๆก็ไม่ร้ายไม่ดีเท่าลมปากด้วยประการชนนี้จึงควรระวังคำพูดให้เป็นไปในทางที่ดีไม่พูดเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเป็นต้นพูดแต่คำอันจักให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติไม่พึงหวังสิ่งอันไม่ควรได้เพราะสิ่งอันไม่ควรได้นั้นย่อมเก็บรักษาไว้ได้ยาก และมักมีภัยตามมาด้วยความสุขเป็นสิ่งหาได้ไม่ยากเพียงแต่เราอย่าอยากอะไรให้มากเกินไปอย่าอยากได้สิ่งอันไม่ควรได้อย่าทำสิ่งอันไม่ควรทำมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆตามธรรมชาติแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคนเป็นจำนวนมากแม้จะพึ่งตนเองได้ทางกายมีข้าวปลาอาหารกินบริบูรณ มีเสื้อผ้าอภารรพเลิดพรายมีที่อยู่อาศัยโออาและยานพาหนะอันเอี่ยมอ่องสวยหรูราคาแพงแต่น้อยคนนักที่จะพึ่งตนเองได้ทางใจส่วนมากเต็มไปด้วยความวิตกหมกมุ่นกังวลเศร้าหมองริษยาพยาบาทชิงดีชิงเด่นอาฆาตจองเวรฟาดฟันห้าหันกันด้วยวิธีการต่างๆหาความสงบมิได้ ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีตำแหน่งศูนย์ขึ้นยิ่งเกลียดกันเป็นโรคผิดหวังเครียดจนบางคนต้องกินยานอนหลับแทบทุกคืนการศึกษาของเรามุ่งมองไกลตัวเกินไปให้รู้จักสิ่งต่างๆในจักรวาลมากมายแต่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันและแม้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย จึงอยู่ร่วมกันยากคอยแต่จะเอาเปรียบกันและรังเกยียจกันรู้ว่าแม่น้ำอะไรอยู่ที่ไหนและยาวที่สุดในโลกแต่น้ำใจของตนแห้งขอดต่อผู้อื่นจะมีบ้างก็แต่เฉพาะที่เลงแล้วว่าจะได้ผลประโยชน์คืนมาเกินกว่าที่ลงทุนไปน้ำแห่งความกรุณาได้เหือดแห้งหายไปจากสังคมมนุษย์เป็นอันมากสังคมของเราจึงค่อนข้างร้อน ขอให้เรามาสร้างจิตสำนึกในความกรุณาคือคิดช่วยเหลือผู้อื่นแทนการเบียดเบียนผู้อื่นกันเถิดสังคมของเราก็จะชุ่มเย็นและเบี่ยมสุขไม่กล้าเสี่ยงอะไรก็ไม่ได้อะไรการกล้าตัดสินใจเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของผู้ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนักปราชญ์ท่านว่าการตัดสินใจผิดเป็นเพียงความล้มเหลว แต่การไม่ตัดสินใจทํามัวแต่ลังเลอยู่เป็นความล้มละลายทีเดียวสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งว่า nothing venture nothing gain แปลว่าไม่กล้าเสี่ยงอะไรก็ไม่ได้อะไรโอกาสนั้นเราต้องสร้างเอาบ้างไม่ใช่ปล่อยให้มันมาหาเราอย่างเดียวหรือเสมอไปไม่มีเนื้อตัวใดวิ่งเข้าปากเสือตัวที่นอนหลับอยู่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 บุญที่ได้จากการอนุโมทนาต่อความดีของผู้อื่นหรือปัตตานุโมทนาใหมา่เมื่อเราพอใจต่อความดีอย่างใดมากๆเสมอเสมออีกหน่อยเราก็ทําความดีเช่นนั้นได้และเป็นคนดีเช่นผู้ที่เรานิยมชมชอบได้การช่วยให้ผู้อื่นประสบความสุขความสําเร็จและยินดีต่อความสําเร็จของเขาเท่ากับช่วยเหลือตัวเองไปด้วย ตรงกันข้ามการทำลายผู้อื่นเท่ากับทำลายตัวเองไปด้วยขอให้คํานึงถึงเรื่องนี้จงหนักแล้วฝึกฝนกจิตใจของตนให้พลอยยินดีต่อความสุขความสําเร็จของผู้อื่นประดุดความสําเร็จของตนเองสังคมของเรายังกระทบถึงกันอยู่ทั้งส่วนดีและส่วนชั่วมองอะไรให้มองอย่างกว้างและเป็นเส้นสัมพันธ์อย่ามองอย่างแคบและเป็นเส้นตรงอย่างเดียว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 และมีสิ่งที่จะต้องทำอีกมากสำหรับเพื่อนมนุษย์ขอให้จำไว้ว่าความดีทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจก่อนอย่าลืมแสดงความยินดีต่อความสุขสำเร็จของตนเองด้วยเสมอเสมอสม อ, อย่างเงียบๆเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มพูนความสุขและสมรรถภาพในการทำงานของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปยอมโง่เพื่อฉลาดคนที่โง่ยังไม่ฉลาด รู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทำได้โดยการครบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดยอมให้เขาแนะนำพร่าสอนการเวลาล่วงไปล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นพานก็กลับเป็นบัณฑิตได้ส่วนคนที่จะต้องดักดานนั้นคือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่ แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิมาณจัดไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นพานก็เข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิตประพฤติตนอย่างพานก็เข้าใจว่าประพฤติอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลพานพานเข้าข้างตนคนอย่างนี้ไม่มีวันเป็นบัณฑิตหรือฉลาดขึ้นได้คนฉลาด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 รับช่วงจากจิตสำนึกสิ่งที่เราทำก่อนนอนจะลงไปสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือในส่วนลึกของจิตสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสาหรับสนุนเราเมื่อเราตื่นขึ้นแรงปรารถนาที่เราตั้งไว้เมื่อก่อนเข้านอนจะลงไปก่อตัวกันเงียบๆในจิตใต้สำนึกซึ่งจะมีอิทธิพลเป็นอันมากในวิถีชีวิตของเรา โดยที่เราอาจไม่รู้สึกตัวกรณีปมด้ก็คือจิตใต้สำนึกในทางด้อยลงไปสะสมตัวกันอยู่นานจนเป็นอุปนิสัยนั่นเองถ้าเป็นสิ่งที่ดีลงไปสะสมกันอยู่ในส่วนลึกของจิตก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่ดีคุณธรรมคืออุปนิสัยที่ดีซึ่งสถิตมั่นคงอยู่ในจิตของเราแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมเช่นความรับผิดชอบ ความกรุณาปราณีความบากบั่นอดทนเป็นต้นการสวดมนต์ก่อนนอนก็เพื่อให้จิตได้ระลึกถึงสิ่งดีๆลงไปสะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีเป็นคุณธรรมเช้าขึ้นมาเมื่อจิตสํานึกเริ่มทํางานแล้วจะรับช่วงเอาสิ่งนั้นดําเนินต่อไปเราต้องการสิ่งใดๆมีอุดมคติมุ่งมั่นในสิ่งใดขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้น และอธิษฐานจิตก่อนนอนเมื่อเรานอนหลับไปจิตใต้สำนึกจะซึมซับเอาความปรารถนานั้นไว้และพิจารณาหาทางให้เราประสบความสำเร็จจิตของเราจึงตื่นอยู่เสมอทั้งขณะที่เราหลับและเราตื่นความฝันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งการทำงานของจิตคือเมื่อเราตื่นอยู่จิตอาวรณ์คล้องอยู่ในเรื่องใดก็ฝันถึงเรื่องนั้นเสมอเสมอ ความฝ่ฝันในทางที่ดีทำให้เรามีความภาคเพียรความภาคเพียร น, นำไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จในชีวิตคนย่อบสืบเนื่องมาจากความคิดความฝ่ายฝันปลูกฝังอุดมคติและทัศนคติอันดีเมื่อเราตื่นขึ้นตอนเช้าขอให้คิดว่าเป็นชาติใหม่ของเราขอให้คิดไปในทางที่ดีสร้างจินตภาพในเรื่องความสุขความสาเร็จ เราจะได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งไปในทางบวกและทำหน้าที่อันมาถึงเข้าให้ดีที่สุดถ้านอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่หลับตอนกลางคืนอย่า ก, กังวลเรื่องนอนไม่หลับแต่จงทำเวลานั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยการสวดมนต์หรืออ่านหนังสือดีๆที่ให้กำลังใจพยายามสะสมหนังสือดีๆไว้จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้เสมอเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเรียกปรึกษาได้ทุกเวลาความคิดที่ดีของเราจะสร้างอนาคตและผลงานแก่เราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรีบตั้งตัวให้ได้การหาทรัพย์ควรรีบหาในวัยหนุ่มสาวพลาดโอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะลำบากมากในภายแก่ใครมัวลุม่มหลงเพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาวไม่ได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในวัยชารา พอความแก่มาถึงเข้าจริงทําอะไรไม่รอดหาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตายจะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยากเพราะเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือผัวของเขาเหมือนกันเหลือแล้วเขาจึงเจอเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สําหรับเป็นที่พึ่งแก่ตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบ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 ควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียแต่วัยกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาเหมือนลูกศรเมื่อยิงไปแล้วพ้นจากแรงแล้วเมื่อตกลงยังพื้นดินไม่มีใครหยิบขึ้นมามันก็คงจมดินอยู่อย่างนั้นคนที่ปล่อยให้วัยทั้งสามล่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องนอนทอดถอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจรู้จักแพ้เสียบ้าง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 ยังทําให้หน่าเบื่อหน่ายเสียอีกด้วยส่วนคนที่อดออมถ้อยคํามัธยัดในความคิดเห็นสนับสนุนถ้อยคําอันเหมาะสมของผู้อื่นตามสมควรนั่นต่างหากที่เพื่อนชอบสามารถเอาชนะใจเพื่อนได้ในวงสมาคมสามีพัญญาที่ต้องการอยู่กันยืดก็ควรต้องรู้จักแพ้บ้างไม่ควรเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเสาร่ําไปโปรดจําไว้ว่า ทุกครั้งที่ยอมแพ้ในเรื่องการต้เถียงในเรื่องครอบครัวหรืออื่นๆย่อมชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งทุกคราวการชนะใจดีกว่าชนะในการต้เถียงเรื่องความคิดเห็นและก็มีเทคนิคสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือฝ่ายชนะต้อง ท, ทําทีเป็นเหมือนไม่สนใจในความชนะของตนไม่ซ้ําเติมผู้แพ้ให้อายถ้าพูดให้กาลังใจ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 การรู้จักแพ้รู้จักชนะนั้นเป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬาหรือใจนักเง่งตามความหมายในภาษาไทยเดิมส่วนผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วนอนเป็นสุขที่วะละความชนะความแพ้ได้แล้วนั้นคือไม่ชนะไม่แพ้เพราะไม่แข่งขันกับใครไม่ทะเลาะ ก, กับใครไม่รบกับใครจึงสงบและอยู่เป็นสุขละครชีวิต คนส่วนมากให้ความสําคัญแก่ชีวิตตนเกินไปแต่ความเป็นจริงแล้วในความรู้สึกของคนอื่นทั่วๆไปชีวิตของเราหามีความสําคัญแต่ประการใดไม่มีความหมายเพียงทุลีก้อนเล็กๆกนหนึ่งในอากาศเมื่อคํานึงถึงจํานวนพลโลกทั้งหมดอันดิ้นรนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ยากนี้ต่างคนต่างก็กระเสือกกระสนเพื่อความอยู่รอด และเพื่อความสุขอันยิ่งขึ้นไปการที่คนเราไม่ได้เฉลียวใจว่าชีวิตคือละครนั่นเองทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นมากเห็นตนสำคัญเกินกว่าที่เป็นจริงสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ความหนักอกหนักใจต่างๆมากมายเขานึกว่าตัวเขาเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความสนใจของคนทั้งหลาย ความเคลื่อนไหวของเขาเป็นเสมือนอาการไหวแห่งแผ่นดินแต่ความจริงแล้วแม้ความเป็นความตายของประธานาธิบดีผู้เป็นเหมือนจกอักรพรรดิของโลกก็ไม่ได้มีใครสนใจเกินกว่าเจ็ดวันและเขาไม่ได้สนใจมากไปกว่าการนัดพบคนรักของเขาในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าหรือในวันพรุ่งนี้สร้างอนาคตด้วยตนเองในการวางแผนอนาคต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 การทำงานด้วยความบากบั่นพยายามในทางสุจริตเป็นการสร้างอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งและดูเหมือนไม่มีทางใดดีกว่าการทำงานด้วยความบากบั่นอดทนสวรรค์นในบ้านเมื่อมีบ้านมีเรือนแล้วจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามต้องมันดูแลซ่อมแซมส่วนที่สุดโทมและทำความสะอาดอยู่เสมอความสะอาดเรียบร้อยของบ้าน สำคัญกว่าความใหญ่หรือเล็กของบ้านหรือแบบบ้านบ้านที่รกรุงรังแม้จะสร้างด้วยราคาแพงก็ไม่น่าอยู่สู้บ้านราคาถูกแต่รักษาให้สะอาดเรียบร้อยไม่ได้ความเรียบร้อยของบ้านย่อมกินความถึงการจัดได้เหมาะเจาะอะไรควรจะอยู่ที่ไหนอะไรควรติดตรงไหนมองดูงามตาไปหมดบ้านที่มีเด็กเล็กมักจัดไม่ได้ตามต้องการ พอเด็กเล็กมักทำนั่นทำนี่ให้เละเทะเปรือเปลือนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังชอบโยกย้ายของให้เคลื่อนจากที่ที่วางไว้ความเรียบร้อยของบ้านนั้นแม่บ้านมีความสาคัญมากถ้าแม่บ้านขี้เกียจสะอย่างเดียวบ้านก็เป็นบ้านที่น่าอยู่ไม่ได้แม่บ้านต้องขยันมันปัดกวาดเช็ดถูวางของเป็นระเบียบ ถ้ามีคนใช้ก็ต้องหมั่นตรวจตราดูแลให้เรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งเพราะคนใช้ย่อมจะไม่มีปัญญาพอที่จะทำให้สวยงามชื่นใจสบายตาได้แม่บ้านที่ขยันมีงานบ้านทำอยู่เสมอนอกจากเวลาต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นนอกจากแต่งบ้านภายนอกแล้วควรแต่งเรือนใจของคนในบ้านให้สะอาดอีกด้วย ให้สะอาดด้วยน้ำคือเมตตากรุณาความเสียสละซึ่งกันและกันความมีน้ำใจอันดีการให้กําลังใจคนในครอบครัวเพื่อทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปครอบครัวก็จะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความอบอุน่นไม่ว้าเวทำบ้านเรือนให้มีลักษณะเป็นสิริมงคลพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญมั่นคง เสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันนั้นเป็นทุกข์เนื่องจากความแก่งแย่งแข่งดีกันการชิงดีชิงเด่นกันการไม่ยอมให้กันดังคาไทยว่าเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้คนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็โดยที่คนหนึ่งและคนหนึ่งใหญ่คือยอมแพ้หรือยอมให้เสียคนหนึ่งถ้าใหญ่ด้วยกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะสัตว์โรคชนิดใดที่จะมีอาหางการหรืออสมิมานะเสมอมนุษย์นั้นเห็นจะไม่มีมนุษย์ที่มีปัจจัยสี่พร้อมแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและมีการบริบูรณ์นั่นแหละยิ่งแข่งขันกันเบ่งอัตตาให้ใหญ่ขึ้นแข่งรัศมีกันว่าใครจะใหญ่กว่าใคร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 ย่อให้เข้ามาในหน่วยเล็กที่สุดมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวมีสองคนเมื่อไรก็ยุ่งแม้คนที่มีเมียน้อยคือมีเมียตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าไม่ยอมกันก็ทะเลาะกันทุกวันถ้ายอมเซ่คนหนึง่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้สองครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจึงมักอยู่กันไม่ยืดต้องแยกกันออกไปย่อให้เล็กลงอีก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 คนส่วนมากมีทัศนคติว่าถ้าเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดฟังเทศมีศีล ม, มีธรรมแล้วต้องเป็นคนสงบอย่างเดียวต้องเถียงใครไม่เป็นปรงตกสุดแล้วแต่กรรมใครจะทำอย่างไรก็ช่างเขาใครจะเอาเปรียบอย่างไรก็ช่างเขาใครจะรบกวนอย่างไรก็ช่างเขาเขาบาปเองเราเอาตัวรอดไว้ก่อนเดี๋ยวจะผิดศีลข้อนั้น เดี๋ยวจะผิดธรรมข้อนี้พวกฉลาดแกมโกงเลยได้โอกาสไม่เกรงใจเพราะคนมีศีลมีธรรมไม่มีปากไม่มีเสียงพอมีปากมีเสียงเข้าเขาก็ค่อน阔ว่านี่หรือคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดถ้าเรากลัวเสียงอย่างนี้อยู่เราจะถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดไปและเขาจะเห็นเราโง่ขเขลาอีกด้วยเทพเจ้าเชื่อว่า ศาสนาไม่ได้สอนเราอย่างนี้ศาสนาสอนให้เราอดทนจริงแต่ให้อดทนอย่างใช้ปัญญาต้องช่วยกันแก้ปัญหาต้องช่วยแก้ไขคนผิดให้เป็นคนถูกโดยเฉพาะในสังคมส่วนที่เราร่วมรับผิดชอบอยู่ด้วยไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่เอาเรื่องไม่เอาฐานถ้าทำอย่างนั้นในที่สุดก็จะเป็นคนไม่ได้ความหรือ good for nothing เป็นคนดีแต่งโง่เขานั้นไม่อาจมีชีวิตที่เป็นสุขได้ต้องฉลาดรู้ทันคนด้วยรู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อคนประเภทใดด้วยโลกนี้มันเต็มไปด้วยคนฉลาดแกม้โกงและคอยทำร้ายคนดีแต่งโง่เข่าอย่าให้โทสะมีอำนาจโทสะแปลตามตัวว่าประทุสร้ายคือมีจิตคิดประทุสร้ายผู้อื่น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 เราจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติมันทำลายสุขภาพทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและอาจเป็นโรคหรัวใจพิการได้ในลำดับต่อมาคนที่เป็นโรคหรัวใจอยู่แล้วถ้าเกิดโทสะขึ้นอย่างรุนแรงอาจตายในปัจจุบันทันด่วนได้เชคสเปียร <Yeah. S 1> <Shakespeare S 2> ์กวีเอกของอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าอย่าก่อไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่าน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 ยิ่งหาคนเตือนคนสอนได้ยากเราจึงต้องเตือนตนเองและอาศัยหนังสือที่นักปราชญ์ท่านเขียนไว้เป็นครูอาจารย์ผู้คอยตักเตือนอบรมสั่งสอนเราคนชอบอ่านหนังสือดีๆจึงเหมือนมีครูอาจารย์อยู่ใกล้มีกาลยานามิตรคอยให้สติปัญญาอยู่เสมอเป็นพอรอันประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิต